เพื่อพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตตรงนี้แหละให้สงบให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วธรรมของจริงที่เราจําเป็นต้องรู้ทุกคนถ้าไม่รู้ธรรมของจริงก็พ้นทุกไปไม่ได้ <c oughs> เมื่อไม่รู้ธรรมของจริงจิตใจมันก็ติดอยู่แต่ของไม่จริง เมื่อติดอยู่ของไม่จริงแล้วมันก็จึงได้เล่ร่อนไปในวัตาสงสารนี่แหละ hmm. ทมของไม่จริงได้แก่โลกียะธรรมทั้งหมดล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนใน่ามกลางแตกดับในที่สุด อัตภาพร่างกายทุกส่วนอันนี้ก็เป็นธรรมส่วนโลกีคือหมายความว่ามันบังเกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยธาตุของมารดาบิดาแต่มีบุญกุศลที่ตนได้ทามาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่ง อวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เช่นจกแต่งตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายต่างๆหมูนี้กระลวนแต่บุญกุศลตกแต่งให้ทั้งนั้นถ้าหากว่าบาปตกแต่งให้แล้วก็จะไม่สมบูรณ์แบบ จะมีการบกครองตาบอดมาแต่กำเนิดหูหนวกมาแต่กำเนิดบ้างขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดบ้างเป็นต้นเหล่านี้แหละพูดถึงทางด้านจิตใจจิตใจก็ไม่สมประกอบเป็นคนมีใจวิปริต เห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาหรือที่ท่านกล่าวว่าเป็นใบ้เป็นบ้าหมูนั้นนะเพราะถ้อโทษที่เดิ่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมูนี้มันเป็นกรรมอันหนึ่ง เพราะคนเราอยู่ดีๆไม่ชอบชอบอยากจะทำตัวให้เป็นคนวิปริตไปจากปกติเดิมถ้าว่าภาษาของคนทั่วไปก็เรียกว่าชอบทำตนให้เป็นบ้านั่นเองแหละเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมมันก็ต้องแต่งให้แเลยก็เกิดมาเป็นคนนี้มันก็ต้อง กรรมนั่นตามมาแต่งให้ใหกลายเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปมีอยู่ทมไปในโลกนี้ น, ะนี่เรียกว่าบาปตกแตง่งเราก็เห็นกันอยู่ดาตื่นนะเพราะฉะนั้นจะไปปฏิเสธว่าบาปไม่มีอย่างไรอ่ะ <c oughs> มันก็สมเหตุสมผลอยู่นี่เรื่องความเป็นใบเป็นบ้าต่างๆหมดนี่นะมันก็เข้ากันได้กับคนดื่มเหล้าแล้ว เ, เมาจนไม่รู้ตัวแสดงบทบาทอะไรออกไปก็ไม่รู้ตัวเลยการที่คนเราได้อัตภาพร่างกายมาสมบูรณ์ ทั้งร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี้ก็ไม่บกพร่องทาง จ, จิตใจก็ดี <c oughs> หมนีนั้นว่าเป็นบุญญาลาภของคนเราแล้วเพราะฉะนั้นคือควรที่จ ะ, ะตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดี <c oughs> เพิ่มเติมไว้ให้มากไว้ เพราะบุญกุศลที่ทำมานั้นมันมีขอบเขตจำกัดก็พูดง่ายๆว่ามันก็อำนวยผลให้ได้ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองถ้าผู้ใดมีบุญน้อยติดตามมาอายุก็ยังไม่ถัดไปถึงอายุไขก็แตกลับทำลายไปก่อนเพราะบุญหมดลงผู้ใดมีบุญมาก ก็อาจจะมีอายุยืนกว่าอายุไขไปก็ได้เพราะบุญมันมาก ม, มีโยในโลกนี่คนที่อายุยืนกว่าอายุไขเช่นคนสมัยนี้อายุอยู่ในขอบเขต75ปีเป็นอายุไขผู้อยู่เลย75ปีไปก็ชื่อว่า เป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็เป็นผู้มีบุญมากสำหรับคนสมัยนี้นะแต่ว่าบางยุคบางสมัยเพื่อนก็มีอายุยืนมากทีเดียวสมัยที่ท่านได้ ว, ว่าสังวัตกะับแปลว่ากรปับที่เจริญกัปับที่คนมีอายุวั น, นะทุกข์ข่าภรรษ จเจริญมากเห็นมีอายุยืนตั้งหมื่นปีขึ้นไปถึงแสนปีถึงหลายแสนปีก็มีเนี่ยอายุของมนุษย์เรานี่ไม่ใช่มันอยู่คงที่นี่เป็นเครื่องส่อสแสดงให้เรารู้แล้วว่าอัตภาพร่างกายนี่อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้จริงๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คงไม่ผิดแน่เลยทีนี้ผู้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติรรมชำระกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจนี่ ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โยผู้ที่เคยลุ่มหลงทำบาปมาอมพอมารู้ตัวเข้าไปแล้วว่าบาปนั้นนำานวยผลให้เป็นทุกข์เช่นนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมาคิดละเว้นบาปอาคุสลต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั่นน่ะ อันสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติ่ามไว้สิ่งนั้นเนี่ยมันมีโทษอยู่ในตัวของมันผู้ดใดล่วงเกินไปมันก็เป็นบาปเป็นโทษเช่นอย่างฆ่าสัตว์เป็นต้นตลอดถึงดื่มสุ ร, ราเมีไรเหมือนนี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วว่าถ้าผูใ้ใดทำกรรมเหล่านี้ลงไปแล้วเป็นบาปเป็นโทษจริงๆทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่ง เหตุนั้นจึงได้ทรงบัญญัติถามไว้แต่พุทธบัญญัติเหล่านี้มันไม่มีการลงโทษกันในปัจจุบันนี้เหมือนเหมือนอย่างไอกฎหมายบ้านเมืองอกฎหมายบ้านเมืองนั่นเขาปรับโทษไว้ในตัวเลยปรับโทษในปัจจุบันนี้แหละเช่นติดคุกติดตารางหรือว่าถูกปรับไหม อย่างนี้นะอันนี้เรียก ว, ว่าบุคคลผู้ไปล่วงขฎดหมายบ้านเมืองผู้ล่วงพุทธบัญญัติดังกล่าวมานี้ถ้าหากว่ามันไปกรงกันกับขฎหมายบ้านเมืองมากกรไหน่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเอาโทษได้ถ้ามันไม่ไปกรงกับ ข้อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอย่างนี้นี่ทางบ้านเมืองก็ไม่เอาโทษนี่แหละคนมันชลาใจเห็นว่าทําลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาจับกลุ่มห้งร้อ ง, องติดคุกติดตารางอะไรอย่างนี้ล่ะเห็นเมื่อเป็นชนีดมันจะเป็นบาปมาที่ไหนฮะการทําบาปกรรมความชั่วนี่ ไม่เกี่ยวกับภายนอกที่จะมาลงโทษให้ก็มีเกี่ยวกับภายนอกก็มีต้องให้เข้าใจทั้งสองทางดังชี้แจงมานี่แหละถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วแต่มันก็ขัดต่อศีลต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ย ดังนั้นผูใ้ใดทำลงไปแล้วมันก็มีโทษอยู่ในตัวเลยแต่ว่าโทษนั้นมันหักยังให้ผลในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อนถ้าให้ผลก็เพียงแค่คนทั้งหลายรังเกียจคนผู้ดีทั้งหลายเขารังเกียจเท่านั้นเองเนี่ย แต่ว่าจะให้โทษหนักไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีบุญกรรมอุปถัมภ์บำรุงไว้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนเนอะนะตามรักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ดังนั้นบาปที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้ จึงให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนมันจะก้าว่ายกันไม่ได้มันต้องรอจังหวะให้บุญกุศลแต่หลหลังที่มันมาอุปถัมบำรุงร่างกายอันนี้อยู่นี่หมดอายุลงเมื่อใดแล้วบาปอากุศลนั่นมันก็จะให้ผลได้ทันทีเลย นี่ต้องให้เข้าใจไว้ให้มันชัดๆข้อนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันนี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นท่านผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านจึงกลัวบาปจึงไม่ทำบาปกันนะาหาทางเว้นผู้ที่คิดว่าถ้าอยู่ครองเรือนนี่ จะงดเว้นจากบาปไม่ได้เช่นนี้ก็ต้องออกบวชไปอพอออกบวชไปแล้วทำตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปแล้วเที่ยวพลิกขาจานไปใครมีศรัทธาก็ใส่ให้ได้อาหารมาอย่างไรเร็วก็ดีหรือปณีิชก็ดีก็พิจารณาหกชั้นไป ตามีตามได้อย่างนั้นแล้วเขาไม่ได้ทำบาปอะไรนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการบรรพชาอุปสมบทนี่นะมันเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันนั่นแหละในสัพปริสระบรรยัต ที่มีอยู่ในธรรมวิภาคนั้นนะก็เราก็ต้องเข้าใจกันไว้อย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานี่นะที่มันเป็นรุ่มๆดอนๆ อ, อย่างนี้เพราะอะไรเล่านี่ก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนุนอน่นก็มัวเมาประมาทอันผู้ที่ ถึงซึ่งความมิบัตดังกล่าวมานั่นนะแต่ถ้าก่อนโน้กนกำมัวเมาประมาทไม่เพียรพยายามละกรรมมันชั่วไม่เพียรพยายามทำกรรมมันดีด้วยกายวาจาใจไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วนูน่นอย่างนี้ ทำชั่วนั่นมันก็ติดสอยห้อยตามมาอแต่ว่าคนเรานั่นมันก็ไม่ได้ทำชั่วทั้งหมดหรอกดีมันก็ทำความดีนั่นแหละนำให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะล้วันนี้ความชั่วคือบาปมันก็แฝงมาด้วยวันนี้นะบาปนั่นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นก็ทำให้ชีวิตนี้ถึงซึ่งความไม่บัดลงไป ไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นี่เรื่องกรรมให้ผลนี่นะมันไม่ก้าวไกลากันขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจได้ไม่เะ่นนั้นแล้วผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็จะไม่มั่นคงเดี๋ยว เมื่อตนทำบุญกูสอนไปในชาตินี้เนะทำเอาสมากไม้แล้๋ยวไฟไปหน่อยเมื่อเกิดความวิบัติขึ้นบางทีก็ไฟไหม้บ้านบางทีก็น้ำท่วมเถ้าไม่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติภายนอกก็เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรง รักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นเรียกว่าถึงคราวบาปอากุศลกรรมมันให้ผลมันก็เป็นอย่างนั้นมีโยดาเดินในโลกนี้นะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงเบื่อหน่ายต่อการทำความชั่วต่ตางๆจึงได้เว้นจากกรรมชั่ว ต, ต่างๆเหล่านั้น บัดนี้ท่านผู้ที่เป็นผู้มีชีวิตสม่ำเสมอเกิดมาในชาตินี้นะอัตภาพร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีและทั้งที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้บาปรู้บุญคุณทอดขึ้นมาทันที เนี่ยเพียรละบาปออกไปหรือว่าเพียรสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นอันนี้ก็พเพาะแทศชาติก่อนนนั้นได้ฝึกฝนอารมณ์จิตตนมานี่ต้องระลึกให้ได้อย่างเช่นผู้ที่ได้มีศรัทธา เข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มีทั้งนักบวดมีทั้งครื้องหัดนี่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพียงแต่ขอไปทีหรือว่าปฏิบัติตามมีตามได้นึกได้ก็ทําไป นึกไม่ได้ก็ไม่ทำอันนั้นไม่ไม่ไม่ได้หมายอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจทาจริงๆนี่เมื่อเมื่อคนมาทบทวนดูชีวิตในปัจจุบันนี่ก็ส่องถึงชีวิตในอดีตที่ล่วงมาแล้วได้เหมือนกันแหละเพราะว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะ มันก็เนื่องมาแต่อดีตชาติหนหลังหน่นไม่ใช่ว่ามันพึ่งโผล่มาเกิดในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นหามีได้มันถ่ายทอดกันมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วไอ้ผู้ที่มีบุญก็หมายความว่าได้พยายามสะสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นพอสมควรทีเดียวพอเกิดมาในชาตินี้แล้ว ก็จึงได้มีศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเปียนพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็มีความกลัวไม่กล้าทำงดเว้นได้หมนี้นะมันก็เป็นบุญญาลาภของพุทธบริษัททั้งหลายแล้ว ก็ขอให้พากันรักษาบุญกุศลความดีอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมเหลือพยายามสั่งสมเพิ่มเติมเรื่อยๆออันบุญเก่านะั่นนะเมื่อมันให้ผลไปถึงเวลามันหมดอายุบุญกุศลนั่นลงมันก็ค่อยหมดลงเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟ อาศัยน้ำมันและไส้จุดไฟเข้าก็ลุกโลงคันเมื่อนานไปน้นไปน้ำมันมันแห้งลงแห้งลงมันเหลือน้อยเต็มทีแสงไฟมันก็หลี่ลงไปอย่ยวนั้นแ่ละคนก็รู้ได้แล้วว่าเออน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วเน่ก็เอาน้ำมันมาเติมใส่อันนี้ฉันใดคนเราเมื่อรู้ว่า ชีวิตของตนนี่มันเนื่องอยู่ได้บุญกุศลแท้ๆ แ, แล้วก็บุญกุศลที่ทํามานั้นก็มีขอบเขตจํากัดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทอย่างว่ามานั้นนี่ยอ้าวพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลนั้นอย่าให้เสื่อมก็คือรักษาจิตนี้เองนั่นนไง เมื่อตนได้ให้ทานมาก็ทำความยินดีในทานการกุศลนั้นเสมอเสมอมาอย่าเบื่อหน่ายในการให้เมื่อตนได้ได้รักษาสินมาอตามเพศตามภูมิของตนอย่างไรก็พยายามรักษาสินนั้นให้บริสุทธิ์เลยมาอย่าให้มันขาดอย่าให้ด่างให้พร้อย แล้วพยายามรักษาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคร่งคัดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นปรมัติตนิโนนจนเป็นปรมัตถทานมเมื่อทนได้มีศรัทธาได้้วยพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามาโดยลำดับได้อย่างนี้ได้ผนคือทำใจให้สงบได้ อย่างไรแล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมหรือว่าใจที่มันสงบจากนิวรณนทั้งห้านั้นต้องรักษาสมาธินั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้นิวรณนทั้งห้านั้นมาครอบงามจิตใจได้อีกนี่เราอย่างนี้หละเรียกว่าพยายามสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เพรานี้วรรณธรรมทั้งห้านั้นทุกคนก็รู้สําหรับผู้ภาวนาถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาไม่เป็นแหละอความรักความชังโมนี่นะมันเป็นค่าศึกแก่ความสงบใจอ่ะความง่วงเหงาหาวนอนโมนี่ความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งสัน้นรำคาญไปทั่วภิภพ อ, อันโมนี่นะความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องโลกนี้โลกหน้าอะไรเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมูนีล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาทั้งนั้นเนี่ยพอเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยจิตใจก็ลังเลแล้วเมื่อลังเลมันก็เลื่อนลอยอสงบลงไม่ได้เป็น่งั้นเพราอฉะนั้นต้องสำรวจอยู่เสมอนิวรทั้งห้าอันนี้ต้องพี่นา ถ้าว่านิวรณ์อย่างไรมันโผล่ขึ้นมาก็พยายามกระจัดกระจัดมันออกไปอย่าให้มันมีอยู่ในใจนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถรักษาสมาธิไว้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอืมก็สามารถรักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะขอให้พากันรักษาสมาธิไว้ให้มันได้เนี้ยมันจะได้เป็น ปัจใจยให้เกิดปัญญาถ้าหากว่าสมาธิอ่อนแอปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอุไรฝึกใจให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วปัญญาไม่ต้องห่วงมันแล้วนึกคิดอะไรมันก็รู้ก็เห็นแจมแจ้งไปคล่องแคล่วไป เป็นอย่างนั้นเห็นทุกขก็เห็นจริงจริแล้วเห็นจนเบื่อหน่ายในทุกขเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาก็เห็นจริงจริงจนเบื่อหน่ายในตัณหานั้นอเห็นความดับทุกขก็เห็นว่าเออเมื่อเราดับตัณหามาได้เท่าไรทุกก็ดับไปได้เท่านั้นจริงแน่นอนเลยเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ก็เห็นว่าผู้ครองเรือนนี่ก็มองเห็นว่าทานศีลภาวนานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆถ้าเป็นนักบวดก็มองเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองแปดประการนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆนี่จึงเรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อความรู้จริงในพระพุทธศาสนา ฮะดังแสดงมา